ก็ความในจุลสัจกะสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาต่ อ, อย้อนทบทวนนิดนิดหนึ่งนนะคือสัตว์ทั้งหลายโดยปกตินั้นสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นี่แหละเป็นอัตตาบางคนก็ถือว่ารูปเป็นอัตตาบางคนก็ถือว่าเวทนานั้นเป็นอัตตาบางพวกก็ถือสัญญาว่าเป็นอัตตา บางพวกก็ถือสังขารว่าเป็นอัตตาบางพวกก็ถือวิญญาณว่าเป็นอัตตารูปมีอยู่จริงแต่อัตตาเนี่ยไม่มีอยู่จริงเวทนานั้นมีอยู่จริงแต่อัตตาไม่มีอยู่จริงสัญญามีอยู่จริงแต่อัตตานั้นไม่มีอยู่จริงสังขารเนี่ยมีอยู่จริงแต่อัตตาไม่มีอยู่จริง วิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงแต่อัตตาที่บุคคลเข้าไปสำคัญผิดเข้าใจผิดนั้นไม่มีอยู่จริงสัจจการนิคร น, นั้นพื้นฐานสำคัญผิดไปเข้าใจผิดไปสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนชาวชนบทเนี่ยนะเห็นคอมพิวเตอร์ก็นึกว่าใครเนี่ยอยู่ข้างในดูทีวีก็นึกว่าใครเนี่ยอยู่ในจอโหมนุษย์จิ๋วแน่เข้าไปอยู่ในจอ มนุษย์จิ๋วเนี่ยมันพูดได้มันคุยกันได้หัวเราะได้ฉลาดนะถ้าเกิดแบบทางโทรศัพท์ด้วยนะเอ๊เราคุยกับเขารู้เรื่องอ่ะถ้ามีการติดต่อกันแสดงว่ามนุษย์จิ๋วที่อยู่ในจอเป็นมนุษย์แท้ๆเนี่ยนะอาไรมันจริงไหมล่ะมันดูน่าจะน่าเชื่อใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะเชื่อแล้วความจริงมันใช่ไหมล่ะมันมีใครจับใครประยัดเอาไว้ในจอได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้หรือเปิดเทปอย่างงี้ยนะเปิดเทปเนี่ย เออเมื่อก่อนสมัยเด็กๆเราก็แง่ดูอ่ะนะแง่จนวิทยุเขาเสียหมดอะ่ะถามว่าทําไมเพราะเราอยากรู้จริงว่าใครมันเข้าไปพูดข้างในนั้นอ่ะนะพูดอะไรบางทีก็นาก่นากลัวน่ากลัวนะนะปรากฏฟังนิยายผีเขา้าใช่ไหมเปิดนิยายผีบางทีได้ยินเสียงหมาหอนนึกว่ากลัวอ ใ, ใ, ใครมันไปอยู่ในนั้นเนี่ยนะจะรื้อทิ้งใชมันน่ากลัวเหลือเกินก็นึกว่ามีอะไรมีใครอยู่ในในนั้นในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ไม่กําหนดรอบรู้ผู้ที่ไม่การทําปริญญาก็เหมือนกัน สำคัญว่าเป็นอัตตาสำคัญว่าเป็นเราคือมันเป็นความเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็นเราเป็นของเราเนเชื่ออย่างสนิทใจว่ารูปนี่แหละเป็นตัวเราละเช่นเชื่อสนิทใจว่าสมองอ่ะคือตัวเราแล้วแต่นะบางคนเชื่อสนิทใจว่าตัวหัวใจ น, ะนะั่นแหละคือตัวเราบางทีก็เชื่อสนิทใจทั้งหมดนั่นแหละว่าเป็นตัวเราและความจริงมันใช่ไหมละ่ะ เชื่อก็เชื่ อ, อไปเหอะแต่ว่าบางทีพื้นฐานความเชื่อก็ต้องเข้าใจความจริงความเชื่อนั้นเป็นทิฏฐิแต่ความจริงเนี่ยรูปมันเป็นเราไม่ลา่าเนี่ยนะบอกให้มันเป็นเรายังไงก็ไม่เป็นเรานะรูปเวทนาล่ะเวลาเวทนาเป็นเราไหมเวทนาเป็นต้นเนี่ยความจริงมันก็คือเวทนาแต่เวทนามันก็คือเวทนาวันยังค่ำเวทนาอาศัยวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจยัยเนี่ยนะ เวทนาทุกเวทนาล้วนแต่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเข้าใจผิดในในสิ่งเหล่านี้นะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรของผู้ที่เข้าใจผิดก็เพราะยึดติดในกองทุกข์เนี่ยนะยึดติดในกองทุกขเพลิดเพลินในกองทุก น, นะยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าไอ้คำว่ายึดเนี่ยคือสําคัญสําคัญผิดเข้าใจผิดในอัตถกาธาน่าหนึ่งร้อยหนึ่งท่านบอกว่า ทุกครั้งอ ล, ลีโนความว่าติดติดก็คือเข้าถึงทุกในเบญจขันธ์นี้ด้วยตันหาและทิฐิตันหาก็รูปไห้หวังความเพลิดเพลินจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทิฐิก็เข้าใจผิดผิดในรูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารและวิญญาณบทว่าอัจโชสิโตความว่าเพ่งทราบด้วยตันหาและทิฐิอัจโชอัจโชสะอัจโสชโสะหรืออัชโชสิบางทีก็แปลว่า เข้าถึงทุกบางในยักษ์ก็ แ, แปลว่ากลืนกินทุกขเข้าไปรวบเข้าไว้เนี่ยกลืนลงท้องไปเลยเนี่ยเป็นนะก็เลยใช้คําว่าติดติดแล้วแหมมันกลืนเบ็ดเสร็จรวบรัดเลยเนี่ยนะแล้วก็สําคัญว่าทุกนั่นแหละเป็นของเราทุกขังเอตังมะมะเนี่นะพิจารณาเห็นทุกคือขันห้านั่นแหละว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะเขาไม่มีการตามพิจารณาความจริงคือรูปไม่พิจารณาความจริงแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่ารูปก็เป็นสังขารธรรมถูกปัจจัยสร้างขึ้นเวทนาก็เป็นสังขารธรรมถูกรูปเป็นต้นนั่นแหละสร้างเวทนาขึ้นสังขารและวิญญาณก็เหมือนการถูกปัจจัยเป็นต้นนั่นแหละสร้างขึ้นสิ่งใดที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นสิ่งนั้นเป็นใครเป็นของใครเป็นผู้ใดเป็นของ ผู้ใดพันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นถามว่าเป็นอะไรก็เป็นรูปที่ไม่เที่ยงเวทนาที่ไม่เที่ยงสัญญาที่ไม่เที่ยงสังขารที่ไม่เที่ยงวิญญาณที่ไม่เที่ยงพั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละคือตัวทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่กําหนดรอบรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะพ้นไปจากทุกเหล่านี้ อย่างเขาบอกว่าเขาเกลียดโรคบางอย่างเกลียดโรคหลายอย่างแต่ดื่มกินแต่สมุนฐานแห่งโรคเหล่านั้นถึงจะเกลียดโรคแต่ก็อยู่กับโรคเพราะพ้นจากโรคได้ไหมเพราะเอาแต่สดื่มเขาบอกว่าเกลียดความเมาเหลือเกินแต่ไม่เคยดื่มน้ําเลยดื่มแต่สุราอย่างเดียวแต่เขาบอกเขาไม่ชอบเมาเบื่อหน่ายความเมามากแต่แป๊บเดียวก็ดื่มสุราแป๊บเดียวก็หลื่มสุราแป๊บเดียวก็ดื่มสุราแล้วถามว่ามันจะพ้นไปได้ไหมอย่างที่ว่า มันก็บอกดื่มจนมันหายเมาเลยว่าเง้นเป็นไปได้ไหมเอา้าเขาดื่มให้มันหายเมาก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันจะกลืนกินจะยึดติดจะยึดถือให้มันเบื่อหน่ายไปเลยเป็นไปได้ไหมไม่ถ้าไม่ใช่เกิดจากการถ้าเข้าไปรอบรูเนี่ยนะไม่เข้าไปตัดฉันทราคาะนะไม่เข้าไปปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้น สัจจการนิครนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ติดในทุกขเป็นผู้ติดในขันห้าตัวสัจจการนิครนนั่นแหละเข้าถึงทุกคือขันห้าตัวสัจจการนิครนนั่นแหละคือยินดีในทุกขคือขันห้าตามเห็นทุกว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเปลี่ยนจากสัจจการที่ครนเรียกชื่อคนอื่นแทนก็ไม่ผิดนะเนยไม่ใช่สัจจการทีครนคนเดียวร้องในลูกหลานสัจการนิครนเต้ไปหมดเลยนั่งอย่เนี้ยนะ นั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราเนี่ยจะไปคิดไหมพรดีนับถือพระพุทธเจ้านะบอกแม่สัจจการนิครณนี่มาต่อสู้กับพระพุทธเจ้าเราอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าไปว่ามาที่ไหนได้เรานี่มากับสัจจการนิครณเดินตามท่านมาบอกว่ารูปว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตราของเราเนี่ยนะก็ลองเชื่อดูไอเอชอย่างสังเกตดูนะถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยรวมๆแล้วเรื่องที่ที่เกิดทำให้เราไม่สบายใจนะ เนื่องจากว่าสิ่งนั้นเน่ยที่เราสำคัญว่านั่นเราบ้างนั่นของเรามั่งนั่นอัตราของเรามั่งอะไรก็ตามเธออย่างในโลกนี่เนี่ยนะคนมันตายนะทุกวินาทีเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ญาติเราเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นไรมนไม่ไมใช่เพื่อนเราไม่ใช่พ้องเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่อะไรอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราอย่างบ้านที่ถูกไฟไหม้ก็เยอะแยะนะตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่บ้านเรา รถถูกประสบอุบัติเหตุเสียหายก็เยอะแยะแต่ก็ไม่ใช่รถเราคนป่วยเยอะแยะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ตัวเราเพราะนั้นที่เราไม่ทุกข์ก็เพราะอะไรไม่สําคัญว่าเป็นเราแต่อะไรก็ตามที่เราสําคัญว่าเป็นเราเอาเถอะเนี่ยนะความไม่สบายใจก็จะตามมาความเศร้าใจความเดือดร้อนใจความเครียดความวิตกกังวลอกุศลธรรมเป็นอันมากก็จะตามมาเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้ สารพัดพิษภัยทุกโทษเนี่ยประดังเข้ามาก็เพราะมีตันหาเป็นปัจจัยเพราะความสําคัญวันนั้นเรานั้นของเรานั้นอัตตาของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะวิธีแก้จึงแก้ว่าวแก้ว่านั่นไม่ใช่ของเราด้วยอันนี้จานุปัสสนาเราไม่เป็นนั่นด้วยทุกขานุปัสสนานั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนัตตานุปัสสนานั้นแทนที่จะเจริญตันหามานะทิฏฐิก็มาเจริญอนนีจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและ อนัตตานุปัสสนาแต่อย่าลืมว่ามรรคไม่ใช่องค์เดียวเนี่ยนะมรรคมีองค์แปดเรายกวิปัสสนาขึ้นเป็นประธานสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นต้นในข้อ299พระพุทธเจ้าตรัสกับสัจจการิครนแต่ว่วอาอคิเวสนะ เหมือนหนึ่งบุรุษนะเปรียบเหมือนบุรุษคนหนึ่งมีความต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่เขาก็เอาผึ่งหรือเอาเอาขวานเนี่ยนะสําหรับถากถากไม้ถากไปที่คมเอา่าใช้คมเนี่ยนะถากเข้าไปในป่ า, อาขอโทษคือเขาเนี่ยถือผิ่งสําหรับถากไม้ที่มีคมหรือว่าคมกริบเนี่ยนะเรยว่าอยากได้อยากได้อะไรอยากได้ไม้ คือขวานที่รับอย่างคมกริบเข้าไปในป่าใหญ่ไปเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่เข้าหมายต้นกล้วยในป่านเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนถ้าเห็นนะมันทำเสาบ้านจริงๆแล้วเ้ีดูจากพะโนกเนี่ยมันต้นทั้งอวบทั้งใหญ่เนี่ยนะเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ในป่านั้นเข้าก็เลยลําต้นกดตรงกล้วยเนี่ยถ้าปกติเนี่ยนะถ้าไม่มีไม่มีลูกไม่มีเครือไม่ตกอะไรมันจะขึ้นตรงดิ้งเนี่ยนะก็เลยกําลังรุ่นยังไม่ตกเครือก็แปลว่ายังไม่มีปลี ยังไม่ออกเป็นหัวปลียังไม่ออกเป็นเครือนี่นะยังไม่พร้อมที่จะออกลกูกเป็นลําต้นหนุ่มเหมือนกันเถะก็เลยคิดว่าไม่เหลือวิสัยที่เราจะตัดได้ต้องการแก่นไม้ใช่ไหมไประหว่างทาง น, นี่เห็นต้นกล้วยพอดีเลยแหละเขาก็ไปตัดต้นกล้วยที่โคนแล้วก็ลิดก็ไปตัดยอดเนี่ยแล้วตัดหัวตัดท้ายตามหลักการตัดไม้เนี่ยนะก็ตัดโคนล้มเสร็จ ก, ก็ตัดยอดเมื่อตัดยอดมันก็เป็นท่อนพอเป็นท่อนเข้าก็บลิดใบออก ค่อยๆลอกกาบทีละกาบทีละกาบทีละกาบลอกไปไม่พบแม้แต่กะพีเพราะลอกไปเข้าไปลึกข้างในจริงๆมันก็คืออะไรก็คือกาบเล็กๆละเอียดเยดท่านั้นเองที่จะแตกตัวไปเป็นใบต่อไปสรุปว่ากะพีก็ไม่เจอจะพบแก่นมาจากที่ไหนฉันใดเราก็ซักถามท่านให้กล่าวแก้นในค่อยคาของตนท่านก็ว่างกล่าแพ้ไปเองฉะนั้น เราเนี่ยเอาว่าอาคิเวสณนะความคิดที่ท่านเชื่อว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาพอเราซักไซไล่เลียงเข้าไปความเห็นของท่านไม่ต่างอะไรจากต้นกล้วยปัญญาของท่านเหมือนต้นกล้วยจริงๆเลยนะแค่เราว่าไม่มีแม้แต่กระพี้จะมีเกณฑ์สารมาจากไหนไอความเห็นที่รูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นอัตตาของเราอาคิเวสณนะ ท่านเคยกล่าววาจานี้ในที่ประชุมชนพูดแบบภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่าท่านเคยโม้เอาไว้ในที่ประชุมชนไว้ว่าที่ในเมืองนโน่นว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญาณตนว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราโต้อตอบด้วยถ้อยคำแล้วจะไม่ประมาตัวไม่สั่นไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อใครโสมจากรักแร้เลย ขอให้เขาได้คุยกับใครเถอะปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นก็ยังเหงื่อท่วมเหมือ น, นเัอะถ้าแม้เราจะโต้อตอบถ้อยคำกับด้วยเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสาก็จะสทานสั่นไหวจะกล่าวอะไรถึงสัตว์ที่เป็นมนุษย์แล้วอย่างเงี้ยนะบัดนี้ะนียเนี่ยยกคำที่บอกเคยเคยเคยอวดเอาไว้ในเมืองอนะตอนนี้เนี่ยหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผาก ตกลงมาที่ผ้าห่มแล้วก็ตกลงไปที่พื้นเนี่ยนะก็เคยเห็นคนนั่งเหงื่อท่วไมไงนั่งยืนเหงือง่อหยดติ้งติ้งติ้งเลยแหละส่วนเหงื่อในกายของเรานี้ไม่มีเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ดึงจีวรลงนิดหนึ่งให้มันดูว่าไม่ใช่ผ้าคลุมไว้หมดนะ น, นะเราตอนเนี้ยกายของพระองค์ไม่มีเหงื่อแม้แต่นิดเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้างอยงเงาศบสาวไม่มีปฏิพาน ไม่มีความคิดเลยลก็เรียกว่าหมดสภาพเลยแบบนั้นเถอะหมดสภาพของนักโต้คารมเลยเนี่ยนะหมดง้อยเหมือนกับคนอะไรนะเก่งๆแล้วก็เหมือนกับเด็กแม่เอะอะโวยวายพอหลับสนิทไปแล้วไม่มีอะไรเลยนะก็เรียกว่าแผะก็อะไรนะเคยเห็นเด็กหลับไหมเด็กดื้อๆถ้าหลับไปแล้วมันก็หมดสภาพแลนะ้วเนาะนี่สัจการนิครนก็ลักษณะนั้นนั่นแหละอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะในหน้าหนึ่งร้อยสองบทว่า อัปรัตโธคือพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าทรงประกาศความที่สัจจการนิครนเป็นคนมีปากกล้าเมื่อพระองค์จะทรงข่มด้วยพระดำรัสว่าพาสิตาโคตปณ ะ, ะเ ต, ตดังนี้ได้ยินว่าเมื่อสัจจการนิครนเข้าไปหาครูทั้งหกมีปุรณะกัสปะอชิตะเกสะกํมพลมัคลิกโกสาลเป็นต้นเนี่ยนะก็ถามปัญหาครูเหล่านั้นไม่สามารถจะโต้อตอบได้ ครั้งนั้นเขายกวิปปการใหญ่ในท่ามกลางบริษัทของครูเหล่านั้นเสร็จแลว้วก็ลุกขึ้นประกาศความชนะเขาอวดว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะจากครูเหล่านั้นนะนะเขาสําคัญว่าเราจะเบียดเบียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีจริงเขาก็เลยคิดว่าอะไรนะเหมือนกับบวกคนที่แพ้สงครามจริงๆคือคนที่เคยชนะสงครามชนะหนึ่งมันได้ใจชนะสองก็ได้ใจอีกชนะสามชนะสี่ก็ยิ่งได้ใจอีกนะชนะเจ้ารัดที่เจ้ า, าศาสดามาลายเจ้าด้วยกัน ก็ามาพบพระพุทธเจ้าคิดว่าจะเหมือนเดิมนะก็เลยประกาศว่าจะแผ่ยอดการประหารครั้งเดียวด้วยต้นไม้ชื่ออะไรที่ขาดใบมีแต่น้ำสัจจกราริโคร น, นั้นพอจดสาระคือสัพพัญยุตยานบรรลุประเภทจะงอยคือพยานจึงได้รู้ความที่พระสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นยานแข็งเหมือนนกที่จะงอยปากอ่อนเจาะเข้าไปที่ไม้แข่นไม้แก่นเจาะเข้าไปที่ไม้ตะเคียน